บัดนี้จักนด้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเิดหัวข้อที่4ฐานะสพระองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาสิทธิ์ไว้ว่าจตาริ ฐานานินโรปมตโตอาปชติปรธารูปเสวีอาปุญญลาพังนนิกามเสยยังนินทังตติยังนิระยังจตุถังอาปุญญลาโภจะขตีจะปาปิกาผีตัสสะผีตายะรตีจะโธกิการาชาจะ ทันดังครุกังปเนติตัดสมานโรประธารังนเสเวแปลว่านรชนผู้ประมาทเสพภรยาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือได้บาปหนึ่งไม่ได้นอนตามปรารถนาหนึ่งถูกติเตียนหนึ่งนรกหนึ่งเพราะฉะนั้น วงเล็บเมื่อรู้ว่าการชอบเสพภรรยาของผู้อื่นเป็นบาปมีคติชั่วความยินดีของชายผู้กลัวและหญิงผู้กลัวก็มีเพียงเล็กน้อยพระราชา ย, ยังจะต้องลงโทษหนักอีกจึงไม่ควรเสพภรรยาของผู้อื่นอธิบายความว่าผู้เป็นชู้กับภรรยาหรือสามีของผู้อื่นที่ว่าเป็นบาปนั้น เพราะทำความเดือดร้อนให้คู่ครองของเขาในกรณีที่สตรียินดีด้วยบาปน้อยลงมาแต่บาปจะมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ข่มขืนสตรีโดยพรติการคือไม่ได้รับความยินยอมจากสตรีส่วนในกรณีที่สามีเขายินดีหรือรู้แล้วก็ยินดีพอใจไม่ได้ถือโทษโกรธเคือง อนุญาตให้ภรรยาของตนประพฤติเช่นนั้นได้บาปจะมีแก่หญิงชายคู่กรณีหรือไม่ขอให้ช่วยกันคิดดูสามีอาจจะพอใจในชายผู้นั้นเป็นส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์เป็นเงินทองเข้าของอย่างใดอย่างหนึ่งจะบาปหรือไม่เทียบกับการฆ่าคนถ้าฆ่าด้วยเมตตากรุณาเช่นที่คนบางชาตินิยมทาแก่สัตว์เลี้ยงของตนเมื่อสัตว์นั้นได้รับทุก ทรมานแสนสาหัสเขาคาเสียเพื่อให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานหรือบางคนไม่อาจทนต่อความทารุณของโลกที่มีต่อชีวิตตนขอร้องให้เพื่อนฆ่าตนเสียผู้ฆ่าจะบาปหรือไม่ถ้าบาปบาปนั้นมากน้อยเพียงใดศีลข้อการเมสมิชาจาร์นท่านบัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อมีให้การส่้งเสพของมนุษย์สับสนเช่นเิรัชฉานทราบมาว่าชนบางชาตินิยมแลกเปลี่ยนภรรยากันนอนเพื่อเปลี่ยนรถเป็นความนิยมด้วยกันทุกฝ่ายกรณีนี้ผิดศีลข้อกามเมหรือไม่เรื่องศีลข้อกามเมนี้เป็นปัญหากึ่งศีลธรรมกึ่งสังคมในประเทศที่เป็นสังคมนิยมให้หญิงคนเดียวมีสามีได้หลายคนพร้อมๆกัน วงเล็บเช่นทิเบตชายพวกนี้ผิดศีลข้อกาเมหรือไม่หญิงนั้นชื่อว่าประพฤตินอกใจสามีตนหรือไม่ในสังคมที่นิยมผัวเดียวเมียเดียวสามีไปมีเมียน้อยถือว่าเป็นการประพฤตินอกใจเมียหลวงผิดศีลข้อกาเมเหมือนกันแต่ในสังคมที่มีกฎหมายอนุญาตหรือยอมรับสิทธิแห่งชายให้มีภรยาหลายคนได้วงเล็บเช่นในสังคมมุสลิม ชายนั้นผิดศีลหรือไม่หญิงที่มาทีหลังถือว่าเป็นกาเมสุมิชชาจารย์กับสามีของหญิงอื่นหรือไม่บาปที่ว่านี้เป็นในภาษาอังกฤษว่า subjective หรือ objectivereality ถ้าเป็น objectivereality บาปย่อมไม่ขึ้นกับบทบรรยัติของสังคมย่อมเป็น จริงในตัวของมันเองถ้าการเสมสมวิชัดเจานเป็นความจริงโดยประมัติ Objective แล้วซ้ายใครจะเชื่ออย่างไรจะนิยมอย่างไรก็ตามย่อมไม่พ้นบาปไม่พ้นนรกถ้าการเสมสมวิชาจารย์เป็นความจริงโดยสมมุติสังคมไหนสมมุติว่าบาปก็บาปสังคมไหนสมมุติว่าไม่บาปก็ไม่บาปเหมือนความจริงทางกฎหมายหรือระเบียบประเพณีความผิดความถูกขึ้นอยู่กับสังคมบัญญัติ การกระทำอย่างเดียวกันอาจผิดในสังคมหนึ่งและไม่ผิดในอีกสังคมหนึ่งหญิงชาวยิวสมัยก่อนพระเยซูหากประพฤติผิดศีลข้อ3กาเมสุวิชาจารบัญญัติของพวกยิวให้ลงประชาทันคือช่วยกันป่าด้วยไม้ค้อนก้อนดินจนตายการลงทานอย่างนั้นเขาถือเป็นความชอบ มาถึงสมัยนี้ถ้าใครลงทันหญิงแบบนั้นโลกก็จะถือว่าเป็นความป่าเถื่อนทารุณโหดร้ายอย่างยิ่งให้ความหมายภาษาอังกฤษนอสคูนี้ว่า subjective คือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ได้เป็นจริงในตัวของมันเองเช่นกฎหมายบ้านเมืองแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปแล้วแต่จะสมมติกันส่วน objective reality นั้น คือความจริงอันไม่ขึ้นกับสิ่งอื่นคือความจริงในตัวของมันเองใครจะเข้าใจอย่างไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของผู้นั้นเช่นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงใครจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันจะอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในที่นี้ตอนหนึ่งก่อนว่าการประพฤติธรรมนั้นต้องประพฤติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนและสอดคล้อง ตามความรู้สึกของสังคมเข้าทานอง เ, อเป็นภาษาอังกฤษนะ In Rome do as r o m a n แมนสดูเขาว่าอย่างนั้นวงเล็บว่าอยู่ในกรุงโรมจงทำอย่างที่ชาวโรมันทาถ้าจะไม่ถือสุภาษิตนี้ก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งจริงๆมีอิทธิพลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ วกกลับมาหาพุทธภาสิทธิ์อีกที่ว่าผู้ประพฤติการเมุวิชาจารย์ไม่ได้นอนตามปรารถนานั้นน่าจะเป็นว่ามัวเที่ยวหลบซ่อนหนีราชภัยหรือภัยอันเกิดจากการจับกลุ่มคุมขังหรือการปองร้ายของสามีเขาจึงนอนไม่สนิทมัวสะดุ้งอยู่เพราะกลัวภัยที่ว่าถูกติเตียนนั้นความแจ่มแจ้งอยู่แล้วส่วนข้อว่า ต้องตกนรกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วย subjective หรือ objective reality ชอบใจในคำว่าความยินดีหรือความพอใจวงเล็บความสุขของชายผู้กลัวและของหญิงผู้กลัวมีเพียงเล็กน้อยอธิบายว่าการประพฤติการเมสุมิชาจารย์ต้องเป็นการลักลอบทรรมที่ลักลอบก็เพราะกลัวเหมือนขโมยต้องทาลับๆเปิดเผยไม่ได้ การประพฤติปิดในกาลจะให้มีความสุขเต็มที่เท่าที่อานุภาพของมันจะให้ได้นั้นต้องไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลแต่ผู้ประพฤติกาเมสุวิชาาจารย์จิตย่อมกังวลมีความหวาดกลัวความสุขจึงไม่เต็มที่มีเพียงเล็กน้อยแต่บางคนเปิดเผยว่าอาการที่ต้องลักลอบกระทำนั้นตื่นเต้นดีและให้ความสุขความเพลิดเพลินไม่จืดจางใหม่อยู่เสมอดังนี้เป็นต้น เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบนายเขมะกะผู้เป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องดังนี้นายเขมะกะเป็นหลานของท่านอนาทะบินิกะเศรษฐีเขาเป็นคนรูปงามมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้วถูกราคะครอบงำไม่อาจ ด, ดำรงอยู่ตามปกติได้เกิดความกระสันขึ้นต้องการเสพเมตุนธรรมกับเขา นายเขมะกะเองก็ชอบทางนี้อยู่ด้วยจึงประพฤติในกาเมสุวิชาจารย์อยู่เนืองๆคืนหนึ่งราชบุรุษจับเขาได้นำไปแสดงแก่พระราชาพระราชาประส e ท t i โกศลทรงเกรงใจอนาถบินทกเศรษฐีไม่ว่าอะไรรับสั่งให้ปล่อยไปนายเขมะกะก็มิได้งดเว้นคงประพฤติในกาเมสุวิชาจาร์อยู่ร่ำไป โทกราชบระรุตจับได้เป็นครั้งที่สองและครั้งที่สพระราชารับสั่งให้ปล่อยไปตามเคยเพราะเกรงใจเศรษฐีอนาถอนาถบินฑิกเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้วพาเขาไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมให้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมให้นายเขมะกะฟังว่านรชนผู้ประมาท ชอบเสพพระยาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างเป็นอาธิดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนานายเขมะกะได้บรรลุโสดาปติพลเป็นเรื่องย่อๆเนี่ยในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะนายเขมะกะเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดได้ยกธงทองสองแผ่นขึ้นไว้ที่สถูปทองของพระกัสปะทศพล แล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเว้นหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตเสียแล้วหญิงอื่นนอกจากนั้นเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วจงกำหนักนี่คือบุพกรรมของนายเขมกะความปรารถนาเช่นนี้ทำไมจึงสำเร็จได้ปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันปรารถนาความชั่วก็ได้ความชั่วปรารถนาความดีก็ย่อมได้ความดีนี่ถ้าจะพูดถึงธรรมะก็เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยที่สังสมเหมือนกันนี่ สั่งสมอะไรไว้ก็มันสังสมกรรมนั่นแหละกรรมดีให้ผลดีกรรมไม่ดีให้ผลไม่ดีเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมประพฤติในส่วนศีลธรรมนในสังคมของการอยู่รวมกันห้าการบวชที่ย่อหย่อนพระองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่า กุโสยถาถุกขอิโตหัตทเมวานุกันตติสามัญยังทุปรามัทถังมิรยาอยู่ปกติยังกินจิสิทิลังธรรมังสังกฤตฐันจะยังวตังสังกัตสรังพรหมจริยังนตังโหติมหพลังกยยราเจกยยราเถนังทันหเมนังปรักเมสิธิโลหิปริภาโชพโยอากิรเตระชัง แปลว่าเหมือนอย่างว่ายากาคมบางทีบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลรูปคล้ำไม่ดีวงเล็บคือปฏิบัติชั่วทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นสมณะย่อมดึงบุคคลผู้นั้นไปสู่นรกได้ชันนั้นพุทธภาสิตนี้ก็เป็นพุทธภาสิตที่พระสวดทายปฏิโมกทุกทุกุกโบ การงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ราลึกขึ้นแล้วกินแหนงตนเองสามอย่างนี้ไม่มีผลมากถ้าจะบวชให้บวชจริงๆพึงบากบันในเรื่องการบวชนั้นให้มั่นเพราะการบวชที่ย่อหย่อนและละหลวมย่อมจะเกลียทุรีคือโทษลงยิ่งขึ้นขยายความว่ากุโสในที่ทั่วไปแปลว่ายากาที่เราเรียกว่า พุทธประวัติว่ายากุสะนั่นเองซึ่งไทยเราแปลว่ายญาขาแต่ในที่นี้พระอธกถาาจารย์อธิบายว่าหญ้ามีคมหรือใบไม้มีคมอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ใบตาลก็เหมือนกันจัดเข้าในคำกุโสทั้งสิน้นหญ้าหรือใบไม้มีความคมนั้นบุคคลใดจับมันโดยปราชจากความระวังและดึงมามันย่อมบาดมือคนนั้นได้ชั้นใด การปฏิญาณตนเป็นพรหมจรีหรือสมณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศหรือภาวะที่ตนปฏิญาณไว้ทำความชั่วทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่บวชอยู่การประพฤติเช่นนั้นย่อมฆาบุคคลนั้นไปสู่นรกได้วงเล็บดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่สองและเรื่องที่สามแห่งวรกนี้การบวชจึงเป็นเหมือนมีดสองคมทาดีก็ดีมากทาชั่วก็ชั่วมาก ในคาถาที่สองทรงแสดงกรรมสมอย่างว่าไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อนหนึ่งวัดที่เศร้าหมองหนึ่งพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วหลังเกียจใจกินแหนงตัวเองหนึ่งการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสําเร็จที่ดีงามต้องทําอย่างเข้มงวดกวดขันทําอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทําย่อหย่อนผลก็หย่อน คนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนักเมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไม่คมขายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดี ที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นวัดที่เศร้าหมองวัดคือข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บำเพ็ญพรตเช่นวินัยบางอย่างของพระในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำเช่นอุโบสถกรรมปรวรนากรรม และขนบธรรมเนียมอันดีของสมณะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งความประพฤติอันเป็นสมบัติผู้ดีเช่นเสขียวัตรและอภิสมาจาริกวัตรวงเล็บอภิสมาจารความประพฤติอันงามยิ่งเช่นควรเดินนั่งนอนพูดอย่างไรในที่นั้นนั้นควรวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวัดทั้งสิ้น ผู้มีวัดดีใครเห็นก็เกิดความเลื่อมใสมีผลดีทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาส่วนผู้มีวัดไม่ดีวัดเศร้าหมองมีมารยาทเลวย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปเป็นผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาวัดที่เศร้าหมองจึงมีผลมาก พรหมจรรย์ที่เราลึกขึ้นมากินแหนงตนเองคือรังเกียจตนเองเหมือนคนมองเห็นตนเองเปลือยเปื่นด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพราะพรหมจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาบัตเล็กๆน้อยๆ อ, อาบัตหนักบ้างอยู่เป็นประจำอัศทะคือความชื่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บังเกิดขึ้นในใจการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่มีผลมากเพราะมัวกินแหนงตนเองอยู่ ในพระคาถาสุดท้ายตรัสว่าถ้าจะบวชให้จริงพึงบากบันพยายามในการบวชนั้นให้มั่นอธิบายว่าในขณะที่ยังบวชอยู่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะพรมจารีอยู่พึงปฏิบัติตนให้เคร่งครัดอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินยัยถ้าเห็นว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็อนุญาตให้ลาศิกขาไปเป็นครือขัดได้การบวชที่ย่อหย่อนนั้นยิ่งจะเกลียทุี มีธุรีคือราคะเป็นต้นให้มากขึ้นในตนพูดง่ายๆว่ายิ่งบวชนานกิเลสยิ่งพอกผูนมากทั้งราคะโทสะเละโมหะทางนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามแนวของผู้บวชจริงบวชเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญสุขอันเป็นเสมือนก้อนเขละที่พระตถาคตเจ้าทรงขายแล้วบวชเพื่อเป็นอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันพูดง่ายๆว่าบวชเพราะเห็นว่าเป็นทางเลี้ยงชีพได้สะดวก สบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพราะครือขัดเขาบำรุงอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดไว้ในเทศนาเสือป่ากันที่9หน้าที่หนึ่งว่าการเคารพพระภิกษุก็ดีการบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ก็ดีนับว่าเป็นความประพฤติอันดีในส่วนครือขัดจัดเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐได้ส่วนหนึ่ง บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จึงสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ผลอันมีมานั้นมีทั้งทางดีและทางเสียทางดีคือเป็นการบำรุงพระศาสนานั้นได้กล่าวมาแล้วส่วนทางเสียนั้นได้บังเกิดตามมาภายหลังคือข้ารหัสผู้เคารพนบนอกและบำรุงผู้ที่บวช ด, ด้วยปัจจัยทั้งสี่ดันไม่ได้เลือกบุคคลที่ควรเคารพหรือมิควร สักแต่ว่านุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็เคารพและบำรุงเสมอกันหมดความเคารพและบำรุงไม่เลือกเช่นนี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดผลร้ายคือเกิดมีคนที่เกียรติคร้านเข้าไปบวชในพระศาสนาโดยรู้สึกว่าหากินได้ง่ายกว่าเป็นฆราวาสอยู่เพราะไม่ต้องทําอะไรนอกจากโกนหัวกับนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นก็ได้รับความเคารพ น, นอบน้อม ได้มีข้าวกินอิ่มท้องได้มีผ้านุ่งห่มได้มีเรือนพักอาศัยได้มียุกยาพอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนที่เข้าไปบวชเพราะเกียดคร้านเกินไปที่จะคงเป็นครือขัดอยู่เช่นนี้มีได้เป็นอันมากก็เพราะครือขัดโดยมากบำรุงเท่ากับผู้ที่มีความตั้งใจดีแท้จริงมุ่งบำเพ็ญนกขมมะบารมีแท้จริ ง, ง, เเมมรรรงพระศาสนาจึงได้กลายเป็นที่อาศัยแห่งผู้ที่ปรารถนาเอาเปรียบ แก่มนุษย์หรือเพื่อนมนุษย์โดยรับความบำรุงของเพื่อนมนุษย์ฝ่ายเดียวไม่ต้องขวนขวายออกกำลังกายหรือความคิดเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนเลยนอกจากความเกียดคร้านยังมีคนที่ร้ายกว่านี้อีกจำพวกหนึ่งคือพวกที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีใจทุจริตคิดหากินโดยทางช่อโกงหรือแม้ขโมยเพื่อนบ้านซึ่งถ้าจะทำการทุจริตในขณะ ที่เป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่ถนัดจึงเอาผ้ากาสาวพั์หุ้มห่อตัวเพื่อปลอมตัวเป็นภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วทำการทุจริตต่างๆได้สะดวกโดยอาศัยความนิยมนับถือแห่งชนทั้งหลายอันมีอยู่ในผู้ทรงผ้ากาสาวพั์คนจำนวนนี้แท้จริงควรจะนับว่าเป็นคนร้ายอย่างชั ก, กันเพราะนอกจากเป็นคนลักเพศแล้วต้องจัดว่าเป็นผู้ทาลายพระศาสนา ทำให้คนพากันคลายความนิยมในพระภิกษุซึ่งปฏิบัติดีนั้นไปด้วยทั้งเป็นผู้เปิดช่องให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้ถือพระพุทธศาสนามีโอกาสพูดจาแคะไขติเตียนพระศาสนาของเราได้ถนัดทำให้เป็นที่เสื่อมเสียทั่วไปไม่จำเพาะแต่ในส่วนพระพุทธศาสนาทั้งเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศแห่งคนไทยที่นิยมเคารพนับถือและ ทำนุบํำรุงคนที่ประพฤติชั่วหลอกลวงโลกเช่นนี้แท้จริงพวกที่ขโมยเพศเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มกันตัวและปกปิดความชั่วเช่นกล่าวนั้นควรนับถือว่าเป็นผู้ร้ายอย่างชั่วช้าหาควรที่จะกรุณาอย่างใดไม่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างใดคงให้แต่โทษร้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้น ขรืหัดที่บำรุงคนพวกนี้ก็เหมือนอุดหนุนโจรให้ปล้นภาศาสนาและอุดหนุนผู้ร้ายที่ทำลายเกียรติคุณของชาติเมื่อแลเห็นโทษแห่งการบำรุงคนรุ่งเรืองโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้แล้วจึงจำจะต้องกล่าวว่าแท <_ S 2> ้จริงการที่ผู้ประพฤติ <madre> บกพร่องในหน้าที่แห่งพระภิกษุยังค <_ S 2> งมีอยู่ได้นั้นต้องนับว่าเป็นความผิดของเราทั้งหลายผู้เป็นครืหัดส่วนยาที่จะแก้นั้น แท้จริงเราทั้งหลายมีอยู่ในมือของเราเองแล้วแต่หากไม่ใช้ยานั้นเท่านั้นยาที่กล่าวนี้คือการเลือกเคารพและบำรุงแต่ผู้ที่ควรเคารพและบำรุงกล่าวคือเคารพและบำรุงแต่จำเพาะพระภิกษุผู้ปฏิบัติควรแก่หน้าที่แห่งพระภิกษุตามความที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงตั้งพระไตรไว้ให้กระทํากล่าวคือ 1. เป็นผู้ที่ตั้งใจในทางเนกขมมะละครวาตวิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 2. เป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเพื่อให้ยืนยงคงอยู่ไม่ให้เสื่อมทราม 3. เป็นผู้สั่งสอนชักชูมใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีตตั้งอยู่ในศีลธรรมรักษาความสุจริตละเว้นทุจริตเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 4. เป็นผู้ประพฤติตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชน 5. เป็นผู้ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ใช่คอยแต่นั่งรับความบำรุงเปล่าๆแล้วไม่ทำประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ประพฤติพร้อมด้วยองค์ห้าเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับความเคารพและการทำนุบำรุงแห่งเราทั้งหลาย รวมความตามพระกระแสพระราษฎร์ว่าการบํารุงภิกษุสงฆ์นั้นดีอยู่แต่ให้เลือกเคารพบารุงเฉพาะองค์ที่ประพฤติดีและตั้งใจบําเพ็ญประโยชน์เพราะการบารุงไม่เลือกหน้าเป็นโอกาสให้คนทุจริตคิดไม่ชอบแอบแฝงเข้ามาอาศัยพระศาสนาเป็นที่แอบแฝงหากินเหมือนสนับสนุนโจรให้ป้นพระศาสนาทาให้คนอื่นผู้ไม่เลื่อมใสดูหมิ่นผู้เคารพบารุงได้ว่าเป็นคนโง่ การเลือกบำรุงเฉพาะผู้ปฏิบัติชอบจึงเป็นยาอย่างหนึ่งสําหรับแก้ผู้ประพฤติมิชอบแต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ให้กลับตัวหรือศึกเสียเป็นทางให้การบำรุงเป็นภาระน้อยลงให้ผู้ประพฤติชอบได้รับการบำรุงทั่วถึงเหมือนหญ้ากับต้นข้าวขึ้นรวมกันอยู่เมื่อถอนหญ้าซึ่งแย่งอาหารต้นข้าวออกหมดแล้วต้นข้าวก็มีโอกาสเจริญเติบโตได้มาก และทำให้ชาวนามีภาระในการบำรุงน้อยลงสิ่งที่บำรุงลงไปก็ได้แก่ต้นข้าวโดยทั่วถึงเพราะฉะนั้นระหว่างเวลาที่บวชอยู่ผู้บวชจึงควรตั้งใจบวชจริงๆตั้งใจปฏิบัติชอบเพื่ออานิสง์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้ปฏิบัติ บ, ตบำรุงตนบ้างทำให้สการะที่ทายกทมแล้วแก่ตนมีผลมากมีอนิสงมาก เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวานารามทรงปราบรพิสุว่าย่ารูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งเผลอไปทำต้นญ้าต้นหนึ่งให้ขาดเธอรังเกียรจกรรมนั้นว่าจะเป็นอาบัติมีโทษอันเศร้าหมองจึงเข้าไปหาภิกษุเพื่อนกันรูปหนึ่งบอกความนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่า การถอนหญ้าหรือเด็ดหญ้าจะมีโทษอะไรสมมติว่าจะมีโทษอยู่บ้างแต่เมื่อท่านแสดงอาบัติแล้วก็เป็นอันพ้นจากโทษนั้นดังนี้แล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือเป็นเชิงว่านี่ไงผมทําให้ดูก็ได้ไม่เห็นกลัวอะไรภิกษุทั้งหลายอื่นผู้มีศีลเมื่อรับทราบเรื่องนั้นได้กราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระทศพลทรงติเตียนภิกษุรูปนั้น วงเล็บรูปที่เอามือทั้งสองถอนหญ้าเป็นอันมากแล้วตัดพราคาถาว่ากุโส ah ยถาทุกขหิโตหญ้าคมบางทีบุคคลจับไม่ดีเป็นอาทิดังมีนัยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ตนอันนี้ความประมาทแม้เล็กน้อยก็มีโทษมากเนี่ยคือไปปรามาตอโทษเล็กน้อยนี่ว่า เราไม่มีความอะไรนะตั้งอกตั้งใจอะไรมากมายอาบัติเล็กน้อยนี่ทำไปแล้วสแสดงก็ได้อะไรทำนองนี้นก็เลยทำ ท, ท, ทั้งที่รู้นี่แต่เรื่องพิสดารท่านบอกว่าพอตายไปแล้วก็มีคติไปไม่ดีเหมือนกันนี่เดี๋ยวว่าไปรับทุกทรมานอยู่ชั่วระยะของกรรมที่มันมีอยู่เนี่ย จนกว่ากรรมนั้นจะหมดนะครถึงจะได้ไปเสเวยกรรมที่ตนละก็ทำในส่วนที่ดีก็แล้วแต่เนี่ยแต่จึงตัดเป็นพาสิทว่ายากิขาที่กรรมไม่ดีดึงมาแล้วย่อมบาดมือฉันได้บุคคลประพฤติพร้มจันท ร, ร์ที่จับไม่มั่นก็บาดมือได้เช่นกันเหมือนโทษเล็กๆน้อยๆเนะี่ยประมาทก็คือกรรมไม่แน่นนั่นเอง ถ้ากําแน่นอย่างที่หลวงปูชาท่านบอกว่าอะไรที่เป็นความผิดที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเนี่ยก็ถือว่าผิดนี่ฉะนั้นอาบัติเล็กน้อยก็เป็นอาบัติใหญ่สําหรับผู้ที่มีฮิริโอตตะปะท่านว่าอย่า ง, ง น, นั้นผู้มีฮิริโอตตะปะโทษเล็กน้อยก็เป็นโทษใหญ่ผู้ไม่มีความละอายโทษใหญ่ก็เป็นโทษน้อยสําหรับเขาเพราะประมาทมั ว, ม ว, มวเมาดังนั้นก็จะแยกแยะได้เหมือนท่านกล่าวว่าผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัตินี่ก็จะ เห็นต่างกันเนี่ยผู้ไม่ปฏิบัติยิ่งไม่ตั้งใจที่ปฏิบัติเลยนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี่ยจริงๆคำนี้ที่เราฟังมาก็ดีนะเป็นข้อคิดสำหรับฆราวาสเนี่ยเ่อการบำรุงพุทธศาสนาหรือการบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์นี่จริงๆเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องสติปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยตมาก็พูดบ่อยๆเหมือนกันเนี่ยว่าถ้าเรา เราทำทำแบบยังไงก็ทําได้อยู่แต่ว่าเราพิจารณาละเอียดหรือยังเนี่ยก็เคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราทําโดยขาดการพิจารณาก็กลายเป็นสนับสนุนโจรก็ได้นี่แทันท่านกล่าวไวนะ้ถ้ายังมีคนสนับสนุนไม่ใช้ปัญญาพิจารณ์เนี่ยพวกโจรหรือขโมยมันก็แอบแฝงอยู่ได้เนี่ยที่ท่านอุปมาเหมือนข้าวผีที่เกิดในนาดี ถ้าเจ้าของไม่ฉลาดพอไม่ยอมถอนออกเนี่ยมันก็แทรกแซงนีแทรกแซงข้าวดีเนี่ยข้าวดีก็ไม่เจริญงอกงามเนี่ยมันก็มาแย่งเอาสิ่งดีๆไปหมดเนี่ยจึงรู้ว่าผู้ที่ฉลาดจึงถอนข้าวผีเพื่อให้กำจัดข้าวดีออกไปเนี่ยแล้วภาระก็น้อยลงด้วยแล้วก็ข้าวก็ได้แต่ข้าวที่ดีเนี่ยดังนีกาวถึงหน้าที่ของ ผู้ที่บำรุงผู้เป็นกำลังสนับสนุนผู้ปฏิบัติก็รู้จักหน้าที่ของตอนเองประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็เป็นความเจริญแก่พระศาสนาจริงๆรัชกาลที่6กท่านก็พูดละเอียดเนี่ยท่านเป็นเป็นนักปราชญ์ที่สำคัญมากนะในด้านพุทธศาสนานี่โอ้ท่านเขียนไว้เยอะมากเหมือนกันเนี่ยเรื่องธรรมะต่างๆ 6. ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า พระพุทธภาสิตอกตังทุ ก, กตังเสยโยปัจิาตปติทุ ก, กตังกัตัญจะสุกตังเสยโยยังกตาวานาโนตปติปตนี่อันนี้ก็เป็นภาสิต ท, ที่พระสวดประจําเหมือนกันแปลว่ากรรมชั่วไม่ทํำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทําแล้วไม่ตามแผดเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทําไว้นั่นแหละดีกว่า ท่านอธิบายว่าคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรมชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปรุงใจเชื่อว่าการทำกรรมชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรมนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำกรรมชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความสุขที่เป็นเช่นนี้ส่วนมากเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคลเหล่านั้น ส่วน ร, รมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทําให้เล่าร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ลรลึกถึงนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้กระทําความชั่วเล่าแม้เสวยผลเป็นความร้อนใจอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ลรลึกถึงคำชั่วที่ตนเคยทานั้นเป็นผลโดยตรงของคำชั่ว บางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลนั้นเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลนั้นเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปีติปราโมทุกครั้งไป ความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทำให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ที่เขาว่าสวรรค์นในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์นในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้สวัสุขในสวนรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมใจบ้างในขณะที่ทำ แต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจจะตามมาเผาในภายหลังนั้นตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองมนไม้ไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีนั้นทาไว้นั่นแหละดีเพราะ ไม่ตามแาผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงประรบหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สามีของหญิงนั้นได้อภิรมกับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งอนพูดง่ายๆคือเอาคนใช้เป็นภรรยา หญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดกรรมของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้ขึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้อง เกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเชตวนกราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท้ำกลางบริษัทสีพระศาสดาตัดว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนทุจริตยังความปราโมทให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าอากตังทุ ก, กตังเสยโยเป็นอาทิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตน เมื่อจบพระธรรมเทศนาหญิงขี้หึงและสามีสำเร็จโสดาปฏิผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่จะปกปิดอย่างไรมันก็เปิดของมันเองนะีสิ่งที่มันปิดไม่อยู่ปิดไม่ได้ก็คือความจริงนี่แหลนะถึงถึงไม่เปิดเผยให้แกฟังตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจ ท่งนถึงว่าความชั่วไม่ทำเสลยดีกว่าเจ็ดคุ้มครองตนพระพุทธภาษิตนครังยะถาปัจจันตังคุดตังสันตะพาหิรังเอวังโคเปทัตตานังคะโนโวมาอุปปัจขาคณาตีตาหิโสจันตินิระยัมหิสมัปปิตา แปลว่าเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนชาวนาครคุ้มครองนครที่ตั้งอยู่ปลายแดนทั้งภายในและภายนอกขณะยาล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะวงเล็บคือเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆย่อมเศร้าโศกเสียใจวงเล็บภายหลังต้องเบียดเสียดกันในนรกพระอัจฉริาจารย์อธิบายไว้ว่า ปัจจันตะนลครรบรือเมืองปลายแดนที่เขาทำประตูและกำแพงเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายในเมื่อทำป้อมและคูเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายนอกปัจจันตะนาครนั้นเขาต้องทำให้มั่นคงทั้งภายในและภายนอกสันใดพวกท่านทั้งหลายจงตั้งสติไวจงปิดทวารทั้ง6 อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทาอายตนะภายใน6วงเล็บมีตาเป็นต้นให้มั่นไม่ให้อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมาขจัดอายตนะภายในวงเล็บคือไม่ให้รูปมามีอิทธิพลต่อตาจนเป็นเหตุให้หลงไหลในรูปไม่ละสติที่รักษาทวารอย่างนี้เรียกว่ารักษาและคุ้มครองตนไว้ได้ทั้งภายในและภายนอก รวมความในตอนนี้ว่าให้ความคุ้มครองรักษาตนโดยใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษารักษาอายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นมิให้อยู่ใต้อํานาจของอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อว่าขณะหรือเวลาอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่า บุคคลใดไม่คุ้มครองตนด้วยดีดังกล่าวมาโอกาสอันงามย่อมล่วงเลยเข้าไปโอกาสอันงามคือโอกาสที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยปัจจุบันยังเป็นพุทธการอยู่เพราะาศาสนาของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่พระธรรมวินัยยังดำรงเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์อยู่โอกาสที่ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาโอกาสที่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิโอกาสที่มีอายตนะหก คือมีอวัยวะร่างกายครบบริบูรณ์เวลานี้พวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ได้มีโอกาสอันงามนี้แล้วขออย่าให้โอกาสนี้ล่วงไปเสียเปล่าโดยไม่ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์คนที่ปล่อยโอกาสงามล่วงเลยไปเปล่าจะเสียใจภายหลังดังพระพุทธภาษิตว่าขนาติตาหิโสจันติอันหนึ่งเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีกเหมือนสายน้า ไม่ไหลกลับพวกเราส่วนมากมีอวัยวะแขนขาสมบูรณ์นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วเราจะยอมขายแขนข้างหนึ่งของเราด้วยเงิน1ล้านบาทไหมถ้าเราไม่ยอมขายแสดงว่าแขนข้างหนึ่งของเรามีมูลค่าเกิน1ล้านบาทสองแขนสองขาของเราสองดวงตาของเราตีเป็นมูลค่าเท่าใด คนที่เสียแขนเสียขาไปข้างหนึ่งหรือสองข้างถ้าเขามีเงินพอซื้อแขนคืนมาได้เท่าไรเขาก็ยอมเสียเงินการเกิดมามีอวัยวะบริบูรณ์จึงเป็นลาบและเป็นทรัพย์อันดีเยี่ยมอย่างหนึ่งควรถือโอกาสนี้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เวลาในการประกอบการงานก็เหมือนกันถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลาย เมื่อเวลาล่วงเลยไปก็นําเอาประโยชน์ติดไปด้วยยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากประโยชน์ก็บังเกิดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจภายหลังเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเข้าจําพรรษาในหัวเมืองปลายแดนแห่งหนึ่งได้อยู่เป็นสุขเฉพาะนนในเดือนแรกเท่านั้น ในเดือนที่สองพวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โคจรวินทบาทของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านไปเป็นเฉลยเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านมัวยุ่งอยู่กับการสร้างและซ่อมแซมปัจจันตร์นครเพื่อป้องกันโจรจึงไม่มีโอกาสบำรุงภิกษุเหล่านั้นอย่างเต็มที่ภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาหาความสาราญวิได้แต่ก็ทนอยู่จนตลอดไตรมาส ครั้นออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นได้ไปเฝ้าพระาศาสดาที่เมืองสาวัตถีพระทศพลตรัสถามว่าพวกเธออยู่กันสบายดีหรือภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอะไรมากเลยการอยู่เป็นสุขตลอดกาลเนืองนิดนั้นหาได้ยากภิกษุ ควรคุ้มครองรักษาอัตภาพเหมือนพวกมนุษย์คุ้มครองรักษาพระนครดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าณครังยะถาปัจจันตังเป็นอาทิมีในยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นเกิดสังเวชบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองรักษาตนเนี่ยเหมือนคุ้มครอง เหมือนเขาคุมของอพานคอนนนะบางทีบางแห่งท่านก็พูดเป็นธรรมทิฏฐานว่ากายของเราก็เหมือนนครเรียกว่ากายะละคารังนครคือกายมีพระราชาครอบครองก็คือจิตเป็นผู้ครอบครองแต่ถ้าพระราชาครอบครองไม่ดีนี่คือไม่ระแวดระวัง ทางทวานทวานพระนครก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นธรรมอาธิฐานเนี่ยข้าศึกก็เข้าได้ง่ายเนี่ยผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าไม่เอาจิตคุ้มครองรักษาทวาัคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ชื่อว่าไม่รักษาพระนครปล่อยปะละเลยเนี่ยศัตรูหรือข้าศึกก็เข้ามาวางแผนหรือทํำลายได้ง่ายเนี่ย นี่เปรียบเทียบให้เห็นชัดสำหรับผู้ปฏิบัติเนะี่ยฉะนั้นผู้คุ้มครองตนรักษาตนนะจึงเป็นผู้ที่ปลอดภัยเนะี่ยบ้านเมืองก็อยู่เป็นสุขนครก็มีความสงบปลมเย็นเนะี่ยกายและใจนั่นแหละเนี่ยกายใจก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกขนะ์เนะี่ยพอมีพระราชาดีก็คือจิตใจที่อบรมดีแล้วเนี่ยนั่นะนะคือความหมาย